ให้เป็นวันวันที่13เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่14คณะรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันครอบครัววันครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตากันตั้งแต่ปี2532ส่วนวันที่15เป็นวันปีใหม่ วันถลงิงศพก็อธิบายสักนิดหนึ่งว่าการกำหนดอย่างนี้เป็นไปตามปฏิทินของเอเชี ย, เ, ยเรามีปฏิทินแบบฝรั่งเขาเรียกแบบเกโกเรียนที่มการาฬกุมภานั่นก็ปฏิทินหนึ่งแล้วปฏิทินของเราเนี่ยในเอเชีย เรามีการนับสักราช2สองระบบระบบหนึ่งเรียกว่ามหาสักราชระบบที่สองเรียกว่าจุลละสักรารเกี่ยวข้องกับอินเดียลังกาพม่าไทยลาวกัมพูชามหาสักราชนับโดยประมาณในยุคพระเจ้ากานิสกัมหาราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวพุทธคลองราศในช่วงพศ .600 เพราะฉะนั้นมหาสกราชก็จะมีความเนื่อนนานมา 2,000 ปีหลังจากนั้นก็มีทมินสกราชลังกาศักราชพม่าสกราชแล้วแต่จะเรียกกันไทยสกราชซึ่งของไทยพม่าลาวเรียกว่าจุลสกราช ทำมีนเรื่องเดียวกันนะ่แต่ทำมีนเรียกสักราชของตัวเองทำมีนสิงหนสักราชปีใหม่ของสักราชเหล่านี้กำหนดโดยตำแหน่งพระอาทิตย์ที่อยู่บนท้องฟ้าตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้โลกอากาศร้อนเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จึงอยู่ในราศีมีนราศีเมษในเดือนนี้ พอเดือนต่อไปตำแหน่งพระอาทิตย์จะย้ายไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าย้ายบ้านปีหนึ่งมันจ ะ, จะวนอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยถ้าท่านมองเวลากตางวันเนี่ยเวลาเที่ยงมันไม่ตรงละมันจะย้ายไปเรื่อยๆสิบสองจุดเขาเรียกสิบสองราศีราศีมีนราศีเมษเป็นราศี ราศีพฤศพก็เป็นเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมเป็นลูกดาวบนท้องฟ้าเนี่ยปลาแกะแล้วก็วัวเป็นต้นนะนะแต่ละเดือ น, น, นพระอาทิตย์มันจะย้ายที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นวงลูกไข่คนโบราณเขาสังเกตว่ามันมีสิบสองจุดเป็นกลุ่มดาว เลยแบ่งเป็น12เดือนแต่และเดือนพระอาทิตย์จะอยู่ในจุดนี้จุดนี้ตามรูปดาวที่มีเรียกว่าราศีหรือบ้านบริยนของพระอาทิตย์ผู้ที่สังเกตและกำหนดนี้คือชาวบาบิโลนเรียกว่าบาบิโลเนียเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วคนบาบิโลนเนี่ยแบ่ง ราศีอาทิตย์สองราศีบนมองฟ้าแล้วก็แบ่งหนึ่งวันเนี่ยให้มีย4ี่ชั่วโมงแทนที่เธเป็นย0สิบบาบิโลเนียเนี่ยแหละแถวอิรักอิหร่านกำหนดให้มี24ี่ชั่วโมงแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมง 60นาทีเลขหเป็นหลักหมดเลยหนึ่งนาทีก็เป็นสาหบวินาทีแล้วเลขหเนี่ยมันเป็นฐานไปเรื่อยๆจนมองโลกเนี่ยขอบฟ้ารอบๆเนี่ยสรอหองศา5 0 0พันปีมาแล้วมีอิทธิพลต่อจีนอินเดีย ก็เลยเรามีปฏิทินโดยระบบเดียวกันหมดราศีของฝรั่งกับเราจึงเป็นอันเดียวกันเพราะเรารับมาจากบาบิโลนเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ของเราตั้งแต่ย้อนจากสมัยราชการที่เจ็ดลงไปเนี่ยราชการที่ห้าเลื่อยไปก่อนนั้นอะไรเงี้ยเราเอาวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็เพราะเหตุที่ว่า สักรารคือมหาสักรารก็ดีจุลศักรารก็ดีเนี่ยเขาถือพระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษก็คือเดือนเมษายนแต่ว่ามันเป็นกลางเดือนเนี่ยพอพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็นปีใหม่และมาพระอาทิตย์ก็จะวนบนท้องฟ้าจนกลับมาที่เดิมได้หนึ่งปีเพราะฉะนั้นพอจะ ย้ายเข้าสู่พอไปถึงราศีมีนสิ้นปีเข้าสู่ราศีเมษปีหน้าก็ปีใหม่อีกเป็นอย่างนี้ทีนี้คติของไทยเนี่ยการที่พระอาทิต ย, ย์ย้ายที่อยู่ทุกเดือนจากราศีเมษเป็นราศีพฤษภาพฤษพราศีมิถุนอะไรเมษุนเนี่ยเป็นสงกรารหมดเลย สงกรานแปลว่าย้ายลาศีของพระอาทิตย์ย้ายบ้านแต่ละเดือนเขาเรียกสงกรานแต่ถ้าย้ายแล้วเปลี่ยนศักกาชเรียกว่ามหาสงกรานแปลว่าย้ายขั้นใหญ่ทําให้ขึ้นปีใหม่ฉะนั้นมหาสงกรานเนี่ยคือวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเราเรียกว่าวันมหาสงกราน ย้ายราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษถ้าเป็นคติแบบฝรั่งย้ายปุ๊บเรียกปีใหม่ทันทีเราต้องรอจนถึงวันที่สิบห้าะเป็นวันปีใหม่วันเถลนศกเพราะอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยถ้าเราเห็นภาพสมัเป็นขึ้นมีราชรถของพระอาทิตย์นะสุริยเทพมีรถม้ามีอะไรต่าง เส้นแบ่งระหว่างราสีมินกับราสีเมษเนี่ยเหมือนกับล้อรถเนี่ยนะมันมีสองข้างเพราะมันมันข้ามเส้นแบ่งเนี่ยคือข้ามเลนเนี่ยนะเรียกมหาสมกรายแต่ว่ารถม้ามันยังไม่พ้นยังเหลืออีกข้างหนึ่งคือดวงอาทิตย์มันยังไม่พ้นเส้นแบ่งมันแค่กินกินเลนเข้าไปเหมือนล้อรถวิ่งท่อมเลนวันที่สบสามเนี่ยรถเริ่ม คล่อมเลนและมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนเป็นวันเนาคืออยู่สองซิกซิกพระอาทิตย์ด้านหนึ่งอยู่ราศีเมษ อ, อีกด้านหนึ่งอยู่ราศีมีนอยู่กึ่งกลางเรียกว่ า, า เ, เป็นวันเนาคืออยู่สุดท้ายพอพ้นพระอาทิตย์พ้นเลนนะพ้นขอบไปทั้งสองล้อเนี่ย เราเรียกว่าวันปีใหม่วันเถลิงศกวันที่15เมษายนคือเมื่อวานและเราก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ม, มาทำบุญกันที่วัดนี่จำนวนมากโดยเริ่มคติว่าปีใหม่ต้องมีความสุขมีความเจริญยิ่งกว่าปีเก่า เราก็มาส่งน้ําพระกันวันนี้สรุปเลยนะทั้งส่งน้ําพระทั้งขอพรทั้งทำบุญให้ญาติผู้ร่วงรับาทาลดน้ําผู้สูงอายุรวมกันอยู่ที่นี่หมดทีนี้ในคติปีใหม่เนี่ยที่เราปรารถนาความสุขชีวิตใหม่ที่มีแต่ความสุขก็เกือบจะไม่ต้อง ปลารบรายละเอียดมากเพราะว่าสหาประชาชาติเนี่ยได้ออกรายงานมาชิ้นหนึ่งแต่รัฐบาลไทยเพิ่งมาประกาศเมื่อวานประกาศเมื่อวานเพื่อเป็นของขวัญนีข่าวเป็นของขวัญชิ้นสําคัญให้กับประเทศไทยว่าคนไทยเนี่ยมีความสุขมากไหม เหมือนส่งสคสกันน่ความสุขของคนไทยมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเราก็ไปดูจากการจัดอันดับการจัดอันดับเรื่องความสุขเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้บลูมเบิร์เนี่ยบริษัทบลูมเบิร์เป็นบริษัทสื่อสารมวลชนยักษ์ใหญ่ จัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งมาแล้วอันดับหนึ่งนั้นอยู่ในบัญชี World Misery Index ดัดชนีความทุกข์ของโลกโดยจัดอันดับประเทศที่มีความทุกข์มากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดในโลกปรากฏว่าประเทศไทยอยู่อันดับโลก มีความทุกน้อยที่สุดในโลกจัดอันดับออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละ <c oughs> ลาารัฐบาลก็ประกาศด้วยความดีใจอีกอะทุกน้อยที่สุดแปลว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกก็เลยชนะสิงคโปร์นะสิงคโปร์มีความทุกน้อยเป็นอันดับสองของโลก ประเทศไทยมีมีความทุกข์น้อยที่สุดในโลกอ้าวแต่แปลว่ายังไงแปลว่าประเทศไทยมีความสุขที่สุดแต่นั่นเป็นของเอ ก, กชนยังไม่ใช่ของจริงของจริงต้องสหประชาชาติสหประชาชาติจัดอันดับ ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกออกมาอันนี้ต้องฟังประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกสหประชาชาติออกเป็นรีพอร์ตคือรายงานเรียกรายงานนี้ว่า World Happiness Report รายงานหรือ i n d เ x เป็นอ r รีพอร์ตเป็นรายงานความสุขของโลก155ประเทศ ที่เข้าจัดอันดับแชมป์มีความสุขที่สุดในโลกถ้าสองบัญชีตรงกันเนี่ยนะเราก็คงฉลองใหญ่บัญชีลูมเบิกประเทศไทยทุกน้อยที่สุดในโลกและถ้าบัญชีสหประชาชาติของยูเอประเทศไทยได้อันดับหนึ่งสุขที่สุดในโลกฉลองใหญ่ บัญชีของสหประชาชาติออกมาตั้งแต่วันวันอะไรวัน International Day of Happiness วันแห่งความสุขสากลในรอบปีหนึ่งเนี่ยสหประชาชาติเขาประกาศให้วันหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยเป็นวันแห่งความสุขของโลกถ้าวันนั้นไทยมีความทุกเนใช้ไม่ได้ทั่วโลกต้องมีความสุข ใครรู้ไหมวันที่เท่าไหร่ไม่รู้สแสดงว่าทุกเออไม่ได้ฉลองเลยอะฉลองวันแห่งความสุขทั่วโลกเขาฉลองกันแล้ว UN เอก็ประกาศวอร์รเ อ, อ่อแฮปปรรายงานความสุขของชาวโลกออกมาในวันนั้นรัฐบาลก็เก็บเงียบไม้มาประกาศเมื่อวานหนันงสือพิมพ์ลงเมื่อเชา้านี่ถ้ารัฐบาลไม่ประกาศอาตมาก็ไม่มีเรื่องเทศเอ เ่ามาจากหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี่แหละแต่ในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าไม่บอกเลยว่าประเทศไทยอยู่อันดับไหนของโลกประเทศไหนอันดับหนึ่งได้แต่บอกว่าเราอยู่ในอันดับสามของเอเชียไม่ได้บอกสื่อก็ไม่ได้ไปดูในรีพอรตรรายงานของ UN อ็าตมาก็ทําการบ้านไปเปิดดูปรากฏว่า รายงานความสุขของโลกเนี่ยเขาวัดจากอะไรตรงนี้น่าชื่นใจนะเขาเพิ่งทำเมื่อห้าปีที่แล้วปีสอง5ห้าห้าสิบห้าเพิ่งเริ่มประกาศก่อนหน้านั้นยังไม่ทำยังไม่ออกรีพอร์ตมา แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาต้องทำเนี่ยเพราะเหตุที่มีเสียงเรียกร้องจากทั่วโลกว่าการประเมินความเจริญเติบโตของโลกด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอวัดความเจริญของประเทศการพัฒนาประเทศโดยอาศัย GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศด้านเศรษฐกิจเนี่ย มันไม่ได้บอกว่าคนมีความสุขต่อให้เราร่ารวยมั่งขัง่งอาจจะทุกข์ก็ได้บางประเทศมีเงินเยอะแต่ว่าลบกันมันก็ไม่สุขทำลายสิ่งแวดล้อมมีน้ำมันเยอะแต่ว่าต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมันอยู่ใต้ทะเลทรายคุณจะสุขยังไงต่อให้คุณมีสตัง ทั่วโลกก็เลยเรียกร้องว่าให้คำนิยามความสุขให้มันถูกต้องอย่าไปแต่เอาเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP อย่างเดียวประเทศที่ประกาศเป็นประเทศแรกในสหประชาชาติคือภูตานกษัตริย์ของภูตานประกาศว่า จะไม่ใช้ GDP วัดความเจริญเติบโตของประเทศเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประกาศที่สหปรชาชาติว่าใช้ GNH Gross National Happiness ความสุขมวลรวมของประเทศเป็นตัววัดเป็นตัววัดความเจริญของประเทศผูตานออกมาก่อน พอภูตาลออกมาก็แจ้งทางประชาชาติประเทศไทยออกตามมาด้วยในปีคศ2007ย้อนไปก็ประมาณ10ปีประเทศไทยออก Green and Happiness Index ดัชนีอะไรความเขียวเหรอแล้วก็ความสุขของประเทศ โดยอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชชาตรที่9เป็นตัวกำหนดกรอบในการวัดการพัฒนาประเทศโดยสภาพัฒน์ร่วมมือกันออกเป็นอินเด็กภาษาอังกฤษแจกไปทั่วโลกผูตานจับมือกับไทยเกาหลีใต้และอื่นออกดัชนีเหล่านี้ตามมาสาธาชาติบอกถ้าอย่างนั้น สามสิบประเทศเสนอเลยในที่ประชุมใหญ่เมื่อห้าปีที่แล้วว่าเราวัดความเจริญของโลกอย่าใช้เศรษฐกิจอย่างเดียวเลยเอาหลายๆอย่างมารวมกันแล้ววัดว่าประเทศไหนมีความสุขที่สุดในโลกแล้วกำหนดให้วันที่20สบมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย เป็นวันแห่งความสุขวันสากลแห่งความสุขของโลกตั้งแต่2 5 5พเป็นต้นมาแล้วสหรปชาชาติก็จัดอันดับประเทศในโลกนี้ว่าประเทศไหนมีความสุขที่สุดในโลกตามมาตรฐานใหม่โดยไม่เอาจิตไม่เอา GDP หรือก r o s s ด o m e s t i c Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเป็นตัววัดอย่างเดียว เอาอะไรบ้างยกตัวอย่างนะอย่างประเทศไทยที่เขาจัดดับเราเนี่ยหนึ่งเขาวัดความเจริญตเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเราโตประมาณ 3.4% อย่างเงี้ยก็เอามารวมกันวัดอะไรอีกวัด life expectancy อายุยืนโดยเฉลี่ยของคนไทยกี่ปีคนไทยเฉลี่ยเนี่ยอายุเท่าไหร่จึงตายเอามารวมกันวัดอะไรอีก เขาเรียกว่าโซเชียลซัพพอร์ตโซเชียลซัพพอร์ตก็คือการช่วยเหลือกันทางสังคม mm hmm. เช่นเขาถามว่าเวลาคุณทุกข์เนี่ยคุณพึ่งใครได้หรือไม่มีคนให้หันเข้าไปปรึกษาไปให้ยืมเงินไปให้พึ่งพาไปปลอบใจเนี่ยกี่คนมี Social Support มั้หและนี่เขาก็มาเป็นเกณฑ์อันหนึ่งของความสุขนะเราคิดถ้าใครเนี่ยนะไม่มีคนซัพพอร์ตไม่มีคนสนับสนุนเลยวันเหง่ครอบครัวนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวกับไอ้ตูบอ่ะมันจะสุขตนไหนอะ่ะโอ้ต่อให้มีข้าวแช่กเ็เถอเนาะมันก็ไม่สุขเพราะฉะนั้นเขาก็วัดด้วย Social Support การสนับสนุนเครือขทาย ทางสังคมอีกอันหนึ่งก็คือ generosity generosity แปลว่าความเอื้อเฟื้อการบริจาคเราเขาจะถามเลยเขาจะมีอีกแบบสอบถามหนึ่งเขาถามคนทั่วประเทศทั้งคนไทยและทุกประเทศเลย155ห้าบ้าประเทศว่าโดยเฉลี่ย ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณบริจาค ก, กี่ครั้งเท่าไหร่บริจาคให้กับองค์การการกุศลบ้างทําบุญบ้างช่วยเหลือบ้างเท่าไหร่เพราะไอ้เงินบริจาคนี่แหละมันจะไปช่วยคนพ้นทุกข์ถ้าคนเห็นแก่ตัวประเทศนั้นไม่น่าอยู่แต่ถ้าประเทศไหนมันมีองค์การอองค์องค์กรการกุศลเยอะ เช่นมาวัดก็มีน้ำเลี้ยงฟรีอย่างเงี้ยมันก็น่ามาใช่มมีกาแฟมีอะไรต่างไม่ใช่ไปแล้วนาะอู้ทั้งร้อนทั้งอะไรต่างหากินเอาเองก็ยังไม่มีไม่มีกระบวนการที่เรียกกันว่าเอื้อเฟื้อประเทศนั้นคะแนนตกนี่คือตัวอย่างนะประมาณ 7-8 ดอย่าง รวมคะแนนทุกอย่างแล้วถ้าให้สิบเต็มประเทศไหนได้สิบเต็มเอาที่หนึ่งไปเลยปรากฏไม่มีประเทศใดได้สิบคะแนนเต็มได้เจ็ดคะแนนเสร็จเจได้อันดับหนึ่งของโลกประเทศที่มีความสุขที่สุดนะนอร์เวย์นอร์เวย์วได้อันดับหนึ่งในสแกนดิเนเวียเนะี่ย แล้วปรากฏว่าประเทศอันดับสองอันดับสมอยู่ในยุโรปในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ในเอเชียนะกว่าจะได้เข้าไปอยู่ในในอันดับเขานี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแต่อยู่อันดับที่สิอของโลกคือ Israel, อ, อ, อ, อิสราเอลตะวันออกกลางอิสราเอลได้อันดับหนึ่งของเอเชีย แต่อยู่อันดับที่สิบเอ็ดอันดับสองของเอเชียได้อันดับที่26ของโลกสิงคโปร์อันดับสามของเอเชียอันดับสามของเอเชียรประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่สาสบสองของโลกอันดับ ถัดจากเราไปในเอเชียคือมาเลเซีย42ของโลกญี่ปุ่นอันดับที่51พูตานนอะไรอะไรก็ดีครับแต่เขาจัดอันดับให้917เพราะว่าจนไงเพราะ GDP เนี่ยรายได้มันน้อย แต่อย่างอื่นอาจจะดีมันก็เลยตกลงไปสำคัญอยู่ตรงไหนประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความทุกน้อยที่สุดเพราะคนตกงานน้อย unemployment คือคนตกงานมีน้อยที่สุดในโลกมีงานทำตลอดแถมประเทศเพื่อนบ้านมาของานทำด้วย เพราะฉะนั้นเรามีงานทำอันที่สองเงินเฟอ้อต่ำมากเมื่อสองอย่างรวมกันเขาเลยให้อันดับทุกน้อยที่สุดแต่ในสหรประชาชาตินี่น่าสนใจตรงที่เขาให้โซเชียลสปอร์ตแก่ประเทศไทยสูงมากคะแนนเรื่องการสนับสนุน เอื้อกูลกันทางสังคมเลยนะคนไทยใจดีเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยอันวิสัยคนไทยแต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครคะแนนโลขึ้นเลยนะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับสามของเอเชียแล้วยังมีอะไรอีกการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจเนอเรลซิตี้ใจกว้างเราบริจาค ก, กัน เยอะทำบุญกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคะแนนทางสังคมถ้าพูดถึง GDP นะการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วแพ้จีนด้วยจีนโตปีหนึ่งเป็นส0อร์ซแต่คะแนนของจีนเนี่ยยังห่างจากไทยเยอะเพราะคนไทยใจบุญเจนอ r ลสตี้คือใจบุญแล้วคนไทยเนี่ ย, ยาสนิทมิตรสหาย สัมพันธ์ชนเน่เข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นในวันสงกรานเนี่ยเราจึงจัดให้เป็นวันที่แสดงน้ำใจของคนไทยนะที่มีต่อกันวันที่ส3ก็วันที่รดน้ำดำหัวหรือขอพรหรือตอบแทนคุณผู้สูงอายุเรียกว่าวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่ส4บสี่ ที่ผ่านมาเป็นวันแห่งครอบครัววันที่ส5บห้าก็วันเฉลิงศกและวันนี้ครอบคลุมทุกอย่างเลยทั้งผู้สูงอายุผู้ล่วงลับเดี๋ยวลำดับทบุญอุทิศส่วนกุศลไปใหอ้อ่ขอพรผู้สูงอายุขอพรผู้มีคุณธรรมสูงก็คือพระสงฆ์ลดน้ำสงนานพระ และเราก็ทำบุญทุที่ส่วนกุศนลนให้ผู้วายชนรวมกันวันนี้หมดใครมีชื่อบรรพชนที่ร่วงรับก็เขียนใส่กล่องเดี๋ยวก็จะมีมาติกาบรรสุกุษสรุปแล้วอย่าว่าแต่คนเป็นเลยนะที่เรามีน้ำใจตายไปแล้วเรายังนึกถึงมันทำให้เรามีเครือข่ายแห่งการสงเคราะห์ดูแลกันเนี่ย ทั้งยามเป็นยามตายยามจนยามเจกยามเจ็บยามจากยามเจงประเทศไทยจึงมีความสุขเป็นอันดับสามของเอเชียโดยการจัดอันดับของสหประชาชาติฮ่องกงยังสู้ไม่ได้เลยนะไม่อยากบอกว่าอยู่ไหนมันมันห่างเราอยู่เดียหาว่าจะเกตทัพไม่ต้องกลับไปก็ได้อยู่เมืองไทยนี่แหละมีความสุขที่สุดในโลกเออที่สามในเอเชียทีนี้ ทำไมล่ะประเทศไทยจึงมีความสุขเพราะมีโซเชียลสปอร์ตมีการเกื้อหนุนเกื้อกูลกันทางสังคมเรียกว่าสังคมอุปถัมภ์อธิบายให้ชัดนะตอนที่ประเทศไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540เงินเงินบาทลดค่าลงอะ่ะ แล้วแล้วเกิดโรคต้มยำกุ้ง IMF เข้ามาช่วยคนไทยเนี่ย IMF คาดหมายว่าอย่างไงคนไทยตายแน่ๆงานนี้ World Bank ธนาคารโลกบอกคนไทยคงปล้นจี้กันเพียบยาบ้าคงจะต้องขายกันอีกเพราะมันจนนี่ปรากฏว่าผิดคาด IMF ก็ดี IMF งงเลยไม่กี่ปีเลยไทยใช้นี่คืนหมดเวนแบงก์บอกไม่เห็นเกิดกาลียุคเลยทำไมประเทศไทยเนี่ยอดอยากยากแค้นเงินค่าเงินตกแต่คนไทยไม่ทุกเพราะอะไรเวนแบงก์ World Bank ธนาคารโลกบอกว่าเพราะประเทศไทยมีเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Safety n น t ตตาข่ายนิรภยัย ตาไขา่นิลภัยคืออะไรใครเคยดูกายกรรมกวางเจาไหมล่ะโดดกันอยู่บนข้างบนอะ่ะโหนกันไปอะไรเมื่อกีไอ้คนนึงก็โหนมาจับขาบ้างจับแขนบ้างแล้วถ้าเกิดมันพลาดตกลงมาไม่ตายนะเพราะมันขึงตาไข่อยู่ข้างล่างตกลตกลงมาแล้วเด้งดึ๋งขึ้นไปอีกคนที่ตกลงแล้วมีตาไขา่รองรับเนี่ยเขาเรียกว่ามี การอุปถัมภ์ทางสังคมคุณไม่มีจะกินไม่ต้องไปขอทานออกไปหน้าไปหน้าวัดประยูรมีโรงทานสมมติอย่างนี้สมเด็จพระนางเจ้าตอนนั้นตั้งโรงทานเศรษฐีออกมาช่วยคนจนน้ำท่วมมีคนบริจาคปีห้าสี่น้ำท่วมแต่ไม่แรงน้ำใจ เราช่วยกันนะวัดประโยชน์นาะไม่ท่วมไปช่วยชาวบ้านเขาและไม่ทะเลาะ ก, กันด้วยนี่คือเซฟตี้เน็ตตาข่ายนิรภัยไม่ทิ้งกันในยามยากอเฟรนอินดีดอิสเฟรนินดีดเพื่อนแท้คือเพื่อนที่ดูแลกันในยามยากประเทศไทยชั้นหนึ่งเลยเออ ซาพยาชาต์เอ่ยเวิลด์แบงก์อย่างนั้นเราก็เลยไม่มีการียุกและตอนนี้องค์การซรพยาชาติมาจัดอันดับให้เราอีกดูจากโซเชียลซัพพอร์ตเองก็คือการเกื้อหนุนเกือ้อกูลกันทางสังคมเรามาเกื้อหนุนเกื้อกูลกันในทางสังคมเพราะอะไรวันนี้เรามาแสดงธรรมะ ที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลสปอร์ตการช่วยเหลือเกื้อกูลทางสังคมด้วยการส่งน้ำพระด้วยการลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เวลาที่เราส่งน้ำลดน้ำมันบอกถึงธรรมะในการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นโซเชียลสปอร์ตการช่วยเหลือกันในทางสังคม หอย่างได้กันมาวันนี้เนี่ยเราปฏิบัติธรรม5หอย่างนะห้าอย่างนี้เป็นไปตามพระบาลีที่พระท่านสวดกันเวลาทำบุญบ้านอะ่ะอะไรบ้างคารวโวจะนิวาโตจะสันตุถีจักกตันยุตากาเลนะธรรมัสวนันเอตัมมังคารบุตตมัง ธรรมะให่ยอย่างนี้แหละสร้างเครือข่ายสังคมให้ประเทศไทยถ้าขาดสักอย่างเดียวนะความสัมพันธ์ในสังคมล่มสลายเรามาทำงานทำบุญสงกรานเนี่ยคือแสดงออกให้ปรากฏซึ่งธรรมะห้อย่างนี้โดยการส่งน้ำพระลดน้ำดาหัวให้ยอย่างคืออะไรคาราว و คาราโวโแปลว่าคาราวะเราลดน้ำผู้ใหญ่คนไหนแสดงว่าเราเคารพท่านเราจึงไปขอพรท่านเราส่งน้าพระแสดงว่าอย่างไรเราเคารพพระสงฆ์การที่เราจะเคารพใครเนี่ยต้องประเสริฐกว่าเราสามด้านด้านใดด้านหนึ่งหนึ่งชาติวุฒิจเจริญหรือประเสริฐกว่าเราโดยชาติกลเช่น เราคารพบสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชาติโดยราชวงศ์สองวัยวุฒิท่านสูงวัยอาบนา้อนมาก่อนเราก็ไปขอพรจากท่านผู้สูงอายุผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวสามคุณวุธท่านประเสริฐหรือเจริญโดยมีศีล มีรร ม, มีคุณงามความดีมากกว่าเราพระท่านมีศีลสยีเราก็กราบก็ไหวท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีคุณวุฒไวัยวุฒิชาติวุฒิเราต้องไหวต้องกราบต้องโค้งคำนับทำไมต้องโค้งคำนับละ่ะเพราะท่านหนักอะ เคยเคยยกของหนักไปละยกของหนักใครเขาเดินเบาสบายล่ะหิ้วกระเป๋าเนี่ยเวลาแสดงหนังฮิ้วกระเป๋าเครื่องบินมันมีแต่กระเป๋าหลอกกันเดินอย่างเงี้ยไอ้กระเป๋าขึ้นเครื่องอะนะโอ้ยเวลาขึ้นเครื่องจริงเนี่ยมันตัวโค้งเลยนะไอ้ถ่ายทีวีนี่โอ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันหลอกคนดูกันได้พวกไม่ขึ้นเคยขึ้นเครื่องบินก็โดนหลอกไปแต่เราขึ้นเครื่องบินนี่เห็นหิ้วกันหนัก โค้งเลยนะเดินผ่านหน้าใครต้องกง้มไม่ใช่หรอกกระเป๋ามันหนักไอ้มันเคารพเราหรือเปล่าเนี่ยเรานั่งอยู่ที่เบาะข้างๆมันเดินไปอย่างเงี้ยเลเดินโค้งไปเลยโค้บตัวลงสแสดงว่าเขามีของหนักคนที่มาไหว้ใครเนี่ยสแสดงว่าคนที่เราไหว้เนี่ยเขานักหนักเราถึงต้องกง้มต้องโค้งต้องไหวไม่ใช่เดินยืดใส่ แสดงว่าเราไม่ถือว่าเขาหนักจริงไหมถ้าเขาหนักเราจะไปเดินยืดไม่เห็นหัวได้ยังไงอะเออเดินผ่านพระพรานเนินจะข้ามอยู่แล้วเขาไม่ถือว่าหนักสิหนักด้วยอะไรหนักด้วยคุณความดีหนักด้วยไว้หนักด้วยบุญคุณเราเจงกราบเจงไหวและเราแสดงว่าเราเคารพด้วยอะไรเอาน้ำไปลด น้ำมันเบานะท่านใครว่าน้ำเบาน้ำเนี่ยหนักนะถ้าไม่หนักนี่เวลามันลงดินนี่มันจะลงไปในหลุมเหรอมันลงไปเรื่อยเลยนะใครไม่คิดว่าน้ำมันหนักนะตอนปีห้าสี่เนี่ยจะรู้สึกเราล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะกำแพงนะของมหาจุฬาเนี่ยเอากองดินมานะ น้ำข้างนอกเนี่ยมันสูงกว่าน้ำข้างในมันกดแรงดันมันอะแล้วมันกดลงไปเป็นไงขนาดอุดท่อนะท่อระบายน้ำน้ำแรงดันมันกดพุ่งเข้ามาในที่ของเราเนี่ยมันทะลุใต้ดินพุ่งโน่ตเลยแรงดันมันสูงคนไหนที่มีความดันสูงรู้ตัวไว้เนี่ยเลือดเนี่ยน้ำนะ ไปหาหมอบอกสองรยเคยเค ย, เคยเจอพระองค์หนึ่งอาจารย์อาจารย์า จ, ารยจับชีพจรผมหน่อยพอจับโอ้โหมันเต้นอยู่ในนี้เลือดแรงดันมันแล้วท่านบอกว่าถ้าผมเจาะนะเลือดผมนี่พุ่งถึงเพดานเลย ไม่ใช่สอง้อยหรอกเยอะมากเลยคุยกันได้ไม่ถึงเจ็วันมณภาพไปแล้วที่เรายังอยู่ได้ทึงวันนี้เนี่ยความดันในร่างกายของเรามันปกติเพราะฉะนั้นของเหลวคือน้ำมันไม่พุ่งออกมานอกตัวเราแล้วทำไมมันไม่พุ่งมาเพราะอากาศมันก็ดันเรานี่รอบๆเนี่ยนะมันมีความดันเหมือนน้ำกำแพงอยู่ตรงนี้น้ำสองฝั่งมันดันกัน เราเนี่ยนะอยู่ในโลกเนี่ยมันมีแรงดึงดูดมันมีแรงผลักดันให้ตัวเราน้ําในตัวเราไม่พุ่งออกมามันพอดีกันเขาเรียกความดันบนพื้นผิวโลกเอาทีนี้ลองเราลงไปใต้น้ําสิลงไปสิบเมตรลึกไปใต้ทะเลสิบเมตรเนี่ยความดันสิบเมตรจะเพิ่มเข้าหนึ่งเท่าตัวจากที่เราอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ความดัน ที่มันมีต่อร่างกายของเราเนี่ยมันพอดีทำให้เราอยู่ได้พอเราลงไปสิบเมตรความดันของน้ำน้ำในทะเลเนี่ยนะเพิ่มอีกเท่าตัวทุกส0เมตรถ้าเราลงไปร้อยเมตร ไ, ไปหนึ่งพันเมตรคือกิโลความดันของน้ำจะเป็นหนึ่งร้อยเท่าตรงนี้ถ้าลงไปประมาณสักหกร้อยหกพันเมตรนะ 6กิโลนะเรือดำน้ำก็แบนเป็นกระป๋องน้ำอัดรมเลยแหละมีช่องไม่ได้มันบีบหมดเลยหนักไม่ละน้ำอ่ะไม่เชื่อลงไปสิใต้ทะเลใต้ทะเลลึกที่สุดในโลกลึกเท่าไหร่รู้ไหมมนุษย์ยังลงไปไม่ได้ใช้เรือดำน้ำที่ทนแรงดันได้เนะี่ยลึก 11,000 มพเมตร11อกิโล อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกลงไปไม่ถึงครึ่งครึ่งทางหรอกตายก่อนเลือดออกจมูกออกปากความดันมันบีบเบนต์แต่แต่เลยน้ำหนักไหมถ้ายังสงสัยลงเจ้าพยากร เ, ออเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาน้ำเนี่ยมาส่งน้ำผู้หนักมาลดน้ำดำหัวสแสดงถึงท่านยิ่งใหญ่นะเราคาวะท่านนะ พรดทะเลสวนประกาศเอก ร, ราชเทน้ำเลยนะ่อแสดงถึงเรื่องยิ่งใหญ่นะเรื่องนักน้ำหนักท่านี้ความที่เราให้ความเคารพใครเนี่ยเราให้ความสำคัญเรายอมรับคุณค่าเนี่ยก็จึงแสดงออกด้วยการส่งน้ำรดน้าเราลดน้ำเนี่ยเราจะได้นึกถึงคุณของท่าน ไปลดน้ำคุณพ่อคุณแม่เป็นการบูชาคุณคาราวะท่านลูกบางคนนะ่ไม่เคยลดน้ำคุณแม่เลยไม่เคยส่งน้ำพระเลยเรียนหนังสืออย่างเดียวได้คะแนนอันดับหนึ่งไปสอบเข้าทำงานเขาจะโห้ยดูคะแนนนะได้ปริญญาโทมานะระดับนี้เนี่ย ต้องให้เป็นรองผู้จัดการสอบข้อเขียนมาแล้วผู้จัดการเห็นคะแนนดูประวัติแล้วเอามาเป็นรองผู้จัดการดีกว่าเลยขอสัมภาษณ์เองไปสัมภาษณ์นายคนนี้นะจบปริญญาโทคะแนนท็อปเลยโอ้ยน า, นานาชาติด้วยหลักสูตรอินเตอร์เก่งเหลือเกินก็เลยไปสัมภาษณ์โอยคุณเรียนเก่งเหลือเกินนะผมถามหน่อยเธอนี่ ภาษาอังกฤ ษ, ก, ษก่อเก่งอะไรก็เก่งหมดเลยเรียนมาอย่างดีเลยตั้งแต่มัธยมมัธยมมาเลยเรียนโครงการใบลิงกู้นะสองภาษาผมถามหน่อยที่คุณเรียนดีเรียนเก่งเนี่ยคุณได้ทุนเรียนหรือเปล่าได้ทุนเล่าเรียนไหมไม่ได้หรอกครับผมผมเรียนเอกชนแต่ว่า ไม่ได้ไปขอทุนที่ไหนสมัยโน้มันยังไม่มีเงินกู้นะเอ้าแล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาเรียนคุณพ่อคุณส่งเหรอไม่หรอกครับพ่อผมตายไปแล้วนานแล้วแม่ผมส่งผู้จัดจา ก, การก็เลยถามแม่คุณทำงานอะไรอะซักผ้าครับรับจ้างซักผ้าแกก็ตอบตรงตรงนะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้งาน รับจ้างซักผ้าครับแล้วคุณได้ไปช่วยคุณแม่คุณซักผ้าบ้างหรือเปล่าตอนที่แม่คุณไปรับจ้างเขาเนี่ยคุณได้ไปเป็นช่วยงานแม่ไหมไม่หรอกครับแม่ไม่ให้ผมช่วยครับแม่ให้ผมเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ต้องทํางานบ้านไม่ต้องเสียเวลาไปช่วยซักผ้าและอีกอย่างหนึ่งนะครับแม่ผมซักเก่งมาก ผมสักสู้แม่ไม่ได้แม่เลยไล่ผมก็เลยไม่ต้องช่วยเลยไหนขอดูมือคนไหนครับผู้จัด ก, การว่าจริงมือคุณนะเนี้ยบเลยนะสวยมากเลยท่านสุภาพสมบุรุษเอาอย่างนี้กันละกันวันสงกรานต์เนี่ยนะคนกลับไปบ้านแม่คุณอยู่จังหวัดไหนไปจังหวัดนั้นเลยนะ ไปขอลดน้ำที่มือของแม่แล้วกลับมารายงานผมว่ารู้สึกอย่างไรแล้วผมจะพิจนารนาว่าจะรับคุณเข้าทำงานหรือไม่ผมอยากได้คุณนะเพราะคุณเรียนเก่งคะแนนดีเหลือเกินภาษาก็เก่งภาษาต่างประเทศแต่คุณกลับไปหาแม่ก่อนไปลดน้ำวันสงกรานต์นุ่มคนนี้ก็ไปต่างจังหวัดที่แม่อยู่ ที่แม่รับจ้างทํางานแม่ครับเขาให้ผมมาลดน้ําแม่ก็บอกไม่เคยมาเลยนะวันสงการานต์ก็ไม่เคยเห็นหัวเลยมารดน้ําครับแม่ถ้าไม่ได้ลดน้ําเดี๋ยวเขาไม่ให้งานผมทําอ่ะทําพิธีกันหน่อยเกิดมาก็ไม่เคยทําแม่นั่งตรงนี้เห็นในทีวีเขามีมีขันวางข้างหน้ามีขันเปล่ามีพานเนี่ยแล้วก็ดอกไม้ดอกมะลิดอกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาน้ํามารด ตอนที่รดน้ำที่มือของแม่เนี่ยแกเพิ่งดูมือแม่มือตัวเองเนี่ยมันงามเหลือเกินนะยังกะลำบนิ้วยังกระเทียนเลยนะแต่มือของแม่นี่มันปุ ป, ปะมันเหี่ยวมันมีแผลดูไม่ได้เลยโดนน้ำเข้าไปนี่แม่สะดุ้งเลยนะแผลเต็มไปหมดพอซักผ้าสะดุ้งในใจเลย นี่แหละมือสองมือนี้แหละทำให้เราได้เรียนจบมือสองมือที่เป็นแผลเป็นเป็นแผลเวอะเป็นอะไรต่างเนี่ยลำบากเพื่อเราพอมองเท้าแม่อีกสะดุ้งใหญ่เลยมันเป็นเท้าของผู้ที่ทำงานหนักกระดํากระดางทีนี้หลานเท้าให้แม่ ตอนแรกนี่แค่ล้างจะลดน้ำาบือตอนหลังดูเท้าล้างเท้าให้ดูเสื้อผ้าของแม่เก่าเหลือเกินเราไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนให้ท่านเลยวันสงการานต์แท้แม่วันนี้ผมจะซักผ้าให้แม่นะแม่ลำบากเพื่อผมมามากแล้ว ผมจะซักผ้าให้และจะนอนคานคืนคุยกับแม่เล่าเรื่องอดีตเรากันฟื้นความหลังสมัยพ่ออยู่แม่ไม่ลำบากขนาดนี้พอไม่มีพ่อแม่ลำบากเหลือเกินผมก็ไม่รู้ต่อแต่นี้แม่ไม่ต้องซักผ้านะแม่แม่ไม่ต้องลำบากแกบอกอย่างนั้นเลยคุยกับแม่จน พ้นช่วงสงกรานต์กลับไปหาผู้สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าคุณกลับไปหาแม่หรือเปล่าไปครับไปแล้วคุณไปทำอะไรผมไปรดน้ำที่มือของแม่แล้วผมก็ล้างเท้าให้แม่ซักผ้าให้แม่แกก็เล่ารายละเอียดที่แกเห็น แล้วคุณสรุปบทเรียนว่าอะไรจากเรื่องที่ไปเนี่ยคืออย่างนี้ครับท่านผู้จัดจา ก, การผมเข้าใจความหมายของคำว่ากะตันยูแล้วครับแต่ก่อนผมได้ยินเขาพูดเรื่องกตันยูผมไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ผมรู้ว่ากตันยูคืออะไรแล้วข้อที่สองนะ่ะ มีไหมมีครับผมรู้ว่าความสุขของคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวมันคือความผูกพันความรักของพ่อแม่ครอบครัวที่มีต่อกันแล้วอะไรอกีกข้อสามครับความสุขจะมั่นคงต่อเมื่อเราดูแลซึ่งกันและกันครับ ไม่กินแรงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างรับภาระดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงผู้จัดการบอกงั้นผมรับคุณเข้าทำงานคุณสอบผ่านเพราะคุณตระหนักถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ เคารพคารวะสักการะและเห็นคุณค่าของหมู่คณะการทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ได้เอาตัวรอดคนเดียวบริษัทเราใหญ่เราต้องการคนมีน้ำใจช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพราะฉะนั้นผมรับคุณเป็นรองผู้จัดการนี่คาระวะข้อที่หนึ่งะทำให้เกิดเครือข่ายสังคมครอบครัวอบอุ่น วัดที่สามัคคีมีความสุขรู้จักเคารพผู้หักผู้ใหญ่ทั้งโดยอายุพรรษาทั้งโดยคุณความดีว่ากล่าวตักเตือนกันได้ไม่ยิงพยองใส่กันคำว่าไม่ยิงพยองใส่กันเป็นคุณสมบัติของน้ำข้อที่สองข้อที่หนึ่งมันหนักข้อที่สองน้ำเป็นอะไรน้ำ มันจะอ่อนน้อมถ่อมตนน้ำมันไม่ชูงวงชูงาเลยนะมันตัวรีบตลอดนะเดี๋ยพอเราทำน้ำหกน้ำไปไหนลงร่องลงหลุมไปแล้วไม่งอหัวมาโชว์ว่านี่ฉันน้ำเป๊ปซี่นะน้ำช้างนะไม่มีมันสงบสงเงยมน้ำจึงลงที่ต่ำเสมอทำไมแม่น้ำเจ้าพยาจึงยิ่งใหญ่ ฝนตกลงมาบนภูเขาไหลมาตามลำธารและแหงห้วยคลองหนองบึงมาที่ราบที่ลุ่มรวมเป็นเจ้าพญาจากเจ้าพญาไปลงอ่าวไทยเข้ามาหาสมุทรมหาสมุทรยิ่งใหญ่เพราะมันวางตัวต่ำน้ำจากทุกสารทิศไหลมารวมกันณนะที่ลุ่มคนที่ยิ่งใหญ่ต้องวางตัวเหมือนหยดน้ำ ออน้อมถมตนลงสี่สูที่ราบทีรุ่มเข้าถึงมวลชนเข้าถึงประชาชนไม่ยิงยะโศคนที่ทำอย่างนี้ที่เราเห็นภาพชัดมากยามที่พระองค์มีชีวิตอยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่นี่ลงคุกเข่าสนทนาด้วยในหลวงรัชกาลที่เก้ารับดอกบัวจากคุณยายนั่นน่ะ นิวาโตนิวาตะนิวาตะแปลว่าไขลมออกลูกโป่งมันพองเพราะมันมีลมถ้าไขาลมออกมันแฟบคนเนี่ยมันถือดีเพราะถือดีมันพองเนะเป็นอึ่งอ่างแบบพองเลยทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรและไม่ฟังใครจุย้ยเจอหน้าเราไม่ทักเวลารวยขึ้นมาเวลาจนค่อยจําเราได้เอออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพวกที่ เย่อหยิงถือดีเราลดน้ําเขาเท่ากับเราตัวเราขายลมออกเราส่งน้ําเนี่ยเราไม่ยิงธนงไม่ถือตัวขายลมออกวางตัวต่ําเหมือนน้ําเมื่อเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็เป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักคือ ไม่เอาความดีความชอบคนเดียวเวลาทําอะไรเสร็จเนี่ยชอบบอกว่านี่จําไว้นะฉันช่วยเธออย่างนั้นอย่างนี้นะมีบุญคุณนะแต่ไอคนนั้นก็เถียงคนช่วยฉันฉันก็ช่วยขับรถให้คุณนะเออเราไปว่าคนขับรถอยู่เรื่อยเลยไอคนขับรถบอกเราไม่มีฉันที่เธอจะไปได้ไหมมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเนะโอ้จะรีบไปเทศ เป็นระดับสมเด็จ ด, ด้วยรถติดอยู่สนามหลวงด่าคนขับไม่รู้จักดูทางมาทำไมรู้ว่ามันจะต้องติดนี่ก็ไปไม่ทนันเราเสียผู้เสียงานเสียการเทศใหญ่เลยคนขับรถมันติดเลคนขับทำไงดับเครื่องโยนกุญแจหลวงพ่อทับเองครับผมลาออกลาออกกันกลางสนามหลวงเนีน่นี่เรื่องจริงนะไม่อยากเอ่ยชื่อว่าองค์ไหนเยเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวนะ จัดงานเนี่ยวัดระยูเนี่ยจเจ้าว่าจัดคนเดียวได้เหรอมันจะต้องมีกรรมการหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นคนที่ยิงธนงเนี่ยเป็นแม่ทัพรบชนะนึกว่าทหารคนอื่นไม่มีส่วนหรือยังไงเป็นหัวหน้าราชาการหัวหน้าส่วนราชาการคนในที่ทำงานทุกคนมีส่วนวัดระยูนได้รางวัลยูเนสโกไม่ใช่วัดไปยูนฝ่ายเดียวบอวอรอบ้าน วัดราชการเจดีย์จึงได้รางวัลอันดับหนึ่งยูเนสโกเจ้าว่าจะบอกพระในวัดอย่ายิงนะอย่าจุ้ยนะว่าเราได้รางวัลแล้วเพราะฉะนั้นต่างเพื่อนบ้านสางตักครูซมาไม่ต้อนรับกูดีขาวมาไม่ต้อนรับวัดกระรยามาไม่ต้อนรับเราดังระดับโลกเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะไปอ่านดูสิใบประกาศยูเนสโกที่ให้รางวัลอันดับหนึ่งวัดปยูนเนี่ย เขาเขียนว่าอย่างไงเขาบอกว่าที่วัดประยูนยได้รางวัลน้ำหนึ่งเพราะหนึ่งมีเทคนิคในการซ่อมแซมที่ดีเสาแกนกลางเนี่ยยกอย่างไรไม่ได้รื้อสักหน่อยเดียวเลยหนักร้อยสี่ตันน่ในที่แคบๆเนี่ยไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยทำได้บริษัทที่ทำจดเขาเรียกว่าสมวน ล, ลิขสิทธิ์เลยแหละที่วิธีทำเขาอะ่ะอันนี้ ประเทศไหนก็ทำได้ที่แข่งกับเราปีนั้นมีไปไปอยู่ได้อันดับหนึ่งอันอันเดียวรัสเซียญี่ปุ่นออสเตรเลียมีข้อหนึ่งเหมือนเราหมดแต่เขาอาจจะไม่มีข้อสองข้อสองคืออะไรข้อสองคือซ่อมแล้วประโยชน์ใช้สอยคงเดิมหรือเปล่าปรากฏว่าพวกอันดับสองทั้งหลายนี่ ซอมราชวังใหญ่ๆนะเสร็จแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นวังต่อไปซ่อมสถานีรถไฟเสร็จเป็นพิพิธภัณฑ์หมดแต่วัดประยูนซ่อมเจดีย์เสร็จยังเป็นเจดีย์เหมือนเดิมแถมเจอกรูกแตกอีกมีภาษาลีนิกรทาท่าอีกเป็นเจดีย์สักศิษย์ใหญ่กว่าเดิมอีกนี่สองข้อแล้วเราผ่านนีข้อที่สาม ข้อที่สามอะไรข้อที่สามความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายราชการมาช่วยไหมวัดประยูนมาชุมชนรอบรอบมาไหมโอ้โหอย่าว่าแต่พุทมาเลยนะคริสต์อิสลามก็มาร่วมกันไม่มีที่ไหนเลยที่อื่นเลยได้ระดับสองไงวัดประยูนเลยได้ระดับหนึ่งที่เรามีวันนี้เพราะหลายมือมาช่วยอย่าไปยิงถนง ญาติโยมบริจาคคนละบาทสองบาทก็มีส่วนไม่ใช่ว่าบริจาคน้อยทําเป็นไม่รู้จักเราต้องมีปฏิสันถานทุกคนอย่างวันนี้เนี่ยเจ้าวาดลงมาเทศทําไมธรรมะปฏิสันถานต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยธรรมะเพราะท่านบริจาคช่วยวัดเราเราก็มีธรรมะนี่ข้อที่สองนิวาตะแปลว่าอะไรให้ความสําคัญแก่คนอื่น อย่าไปเอาเราสำคัญอยู่คนเดียวแล้วเวลามาทำบุญนี่อย่าให้ประกาศชื่ออยู่คนสองคนประกาศเยอะๆท่านวิเชียนท่านอาทิตย์อย่าไปเอาใจโยมที่เฉพาะทำบุญกับท่านทุกคนที่เข้าวัดเนี่ยเขามาทำบุญทั้งนั้นต้องมีปฏิสันฐานต้องมีปฏิวัตะแต่นี้วาตะไข่ลมออกอย่าไปคิดว่า วัดนี้อยู่ได้เพราะเราคนเดียวเพราะไทยคนเดียวโลกนี้มิอยู่ด้วยมณีเดียวนาทรายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงธาตุต่ำกลางดีดุลยภาพภาพจักกพานมิร้างเพราะน้ำแรงไหนเขาบอกว่าโลกนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยเพชรมณีนะทรายมันก็มีส่วนสร้างโลก ดินมันก็มีส่วนทรายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงธาตุตำการดีดูลยภาพธาตุทั้งหลายไม่ว่าดีว่าต่ำว่าเลวว่ามันสร้างโลกเลยกันทั้งนั้นภาคจั ก, กระพาลมิร้านเพราะน้ำแรงไหนถ้าจั ก, กรวาลไม่รวมกันด้วยดูลยภาพมันจะไม่อยู่และมันจะล่มสลายแต่ที่ไม่ล่มสลายเนี่ยเพราะ ก็กลุ่มกันอย่างสําคัญนี่คือข้อที่สองให้ความสําคัญแก่กันและกันนิวาตะน้ำเนี่ยนะเราอ่อนน้อมถ่อมตอนสังคมเราจึงมีดุลยภาพสอดประสานกลมกลืนเกิดวิกฤตเราก็ดูแล ก, กันเพราะคนที่มาบริจาคไม่ได้มายืดเนี่ยออ้จำบุญคุณของฉันไว้นะน้ําท่วมครั้งนี้ฉันช่วยแกนะเราไม่พูดเราถือว่าเป็นคนไทยด้วยกัน ดูแลกันนี่คือข้อที่สองข้อที่สามน้ำเป็นยังไงปรับตัวใส่ขวดน้ำเป็นรูปขวดใส่แก้วน้าเป็นรูปแก้วใส่ภาชนะแม้กระโถนน้ำมันก็ไม่ลังเกียจกระโถนนะมันก็รับเป็นรูปกระโถนใส่แจกันทองมันก็เป็นแจกันน้ำมันปรับตัวได้คนเนี่ย เวลาที่ลดน้ำสงน้ำคือปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่ขิงก็ราขาก็แรงเราสาดน้ำสงกลาเนี่ยขอนิดขอหน่อยกันได้เขาเรียกอภัยกันไม่ใช่ว่าไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันลดชันแพงลดเธอจนสาดน้ำใส่ฉันทาไมเป็นเรื่องกราบลดกูอะไรทำนองนี้เออมันไม่ใช่เราจะต้องมีน้าใจต่อกันปรับตัวเข้าหากันมันจึงจะคบกันได้ ถ้าเราไม่ไม่รู้จักปรับตัวเข้าหากันนะมันเป็นยังไงมันก็จะแข็งกระด้างพ่อแม่นะบางทีลูกๆนี่หาว่าตัวเองฉลาดกว่าพ่อกว่าแม่นะก็เลยดูถูกพ่อแม่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วเป็นยังไงลูกก็จะดูถูกเราอีกทีหนึง่งเราคิดว่าบิดาเราเฉาฉงนเราเป็นคนมีปัญญาจะหาไหน บุตรของเราดีจริงยิ่งขึ้นไปจิตใจเขาคงคิดเหมือนบิดาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะต้องรู้จักพอใจในสถานะของตนเราเกิดมาเพื่อแสดงละครนะแสดงละครเนี่ยคือบทบาทในสังคมตอนนี้เขาให้เป็นเจ้าเราก็เล่นบทเจ้าให้ดี แต่ไปแสดงละคร แ, ะแสดงหนังอีกเรื่องหนึ่งเขาให้เป็นนางแจ๋วเราก็ต้องแสดงนางแจ๋วให้ดีร้องให้สุดคำรำให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกให้บทอะไรทำให้มันดีที่สุดสันตุถีคือพอใจกับบทบาทที่เรามีไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีบทบาทฉันไม่แสดงละออกงานนี้ไม่ดีเงินเดือนน้อยฉันไม่ทา ไม่ได้เราจะต้องพอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ทำนี่คือข้อที่สามเรียกว่าสันโดษคือปรับใจให้เหมือนกับ น, น้ำอยู่ได้ทุกที่ทำงานได้ทุกแห่งเขาให้เป็นแผนกอะไรในวันสงกรานธำให้มันเป็นที่ดูแลให้มันอย่างดีองเจอจึงบอกว่าเยาห่วง ว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งื่อคนเขายกย่องท่านเลื่อนตำแหน่งท่านท่านมีความเก่งและความสามารถสมกับที่เขายกย่องท่านเลื่อนตำแหน่งท่านหรือเปล่าขงเจยอยังบอกว่าให้ขงจืยอทำอะไรจะทำให้ดีที่สุดให้ขงเจยอเลี้ยงหมาม้าจะต้องอ้วน ให้คงจื้อเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มคลังตอนนี้เลี้ยงมา้าม้าอ้วนตอนนี้เป็นรัฐมนตรีก็แสดงบทรัฐมนตรีพระพรบดีตอนนี้ทำอะไรเป็นเจ้าวาดเทศไม่ได้กําลังประชุมมหาเถรสมาคมเออเก็บไว้อีกที่หนึ่งโน่นสำนักพุทธโน่นมันคนะบทบาทสไปมหาจุฬาก็เป็นอธิการบดี นี่จารสุรพลนี่เป็นโยมวัดมหาเจ้าวาด ร, รู้บ้างไผเป็นไผเออไม่ใช่อธิการนะเออนี่เจ้าวาดนะเราสวมบทบาทคนละบทบาทกันปรับตัวพอใจในตำแหน่งที่มีที่เป็นเรียกว่าสันโดษแต่บางคนนะ่กำลังทำตรงนี้ยืดคออยากจะไปทำที่โนดอยากจะไปอยู่ตำแหน่งโน้นพอไปตำแหน่งโน้น ยืดคออยากจะไปไปโนดเเลยไอ้ที่ทำไม่ทำเเหมือนกับตันเครื่องบินคนหนึ่งนะี่ยแกขับเครื่องบินนะบังเครื่องบินใบพัดนะ่ยมันบินไม่สูงหรอกประมาณห้ากิโลพอเริ่มบินนะ่ตั้งลำขึ้นไปเนะี่ยกับตันเนะี่ยพอผ่านทิวเขาผ่านลำธารแห่งหนึ่งนะ่กับตันจะชะโงกไปดูลำธาร น, นั้นทุกทีเลยหมู่บ้านนั้นนะ่ที่กับตันเคยอยู่ มองอยู่นั่นแหละเออมองหลายครั้งเข้าผู้ช่วยกับตันก็เลยถามท่านกับตันครับขอถามหน่อยทำไมเวลาขับเครื่องบินผ่านตรงนี้เนี่ยนะเป็นต้องชะโงกลงไปดูลำธารข้างล่างทุกทีทําทำไมกับตันก็เลยสารภาพคืออย่างนี้ครับตอนผมเป็นเด็กนักเรียนนะชอบมาโดดน้ำในลำธารตรงนี้ โดดที่ไรพอเห็นเครื่องบินนะผมก็ฝันอยากจะเป็นกัปตันครับอยากขับเครื่องบินฝันอยู่นั่นแหละตอนโดดน้ำตอนนี้ผมเป็นกัปตันอยากจะกลับไปโดดน้ำตรงนั้นทุกทีเลยเวลาบินมาตรงนี้เนะี่ยดูสิท่านไอตอนอยู่ตรงนั้นก็มองไปโน่นไปอยู่ไปโน่นก็มองไปนี่แล้วชาติไหนจะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่เป็นจูเลียซีซ่า นำกองทัพไปตีอียิปต์กลับมาผ่านหมู่บ้านเล็กๆจูเลสบอกว่าซีซ่าผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านน้อยๆดีกว่าเป็นอันดับสองในกรุงโรมเพราะตอนนั้นแกยังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งยังมีกองศุนย์ขานำานาจกันอยู่เลยอยากจะมาเป็นใหญ่ในหมู่บ้านนี่ดูสิ อยู่ตรงโนต้ตแล้วอยากจะมาเป็นอันดับหนึ่งตอนหลังแกก็กาจัดคู่แข่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจูเลียสซีซ่ามีอำนาจมากที่สุดลูกน้องมันไส้หาว่ามีอำนาจมากเกินไปพอประชุมรัฐสภาลูกน้องพกมีดเข้าไปในรัฐสภาแทงซีซ่าตายในสภาเพราะเขาห้ามพกอาวุธและคนที่แทงเนี่ยเป็นลูกน้องชื่อบรูตัส คนหนึ่งซีซ่าเรียกบูทูตช่วยด้วยช่วยด้วยมีศัก์เป็นหลานเนี่ยเป็นลูกน้องบูทูตก็เอามีดมาแทงซ้ำอีกด้วยประโยคสุดท้ายที่ซีซ่าพูดก่อนหนับจิตคือประโยคว่า You t o Bluetooth แกก็เอาด้วยหรือ Bluetooth แล้วก็ตายนี่เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ามันรู้จักพอรู้จักอ่อนน้อม มันก็ไปเหมือนไม่เหมือนสีซ่าเมื่อไรควรจะถอยเมื่อไรควรจะยอมเมื่อไรควรจะสงบนิ่งเหมือนน้าหัดนิ่งเป็นบ้างหัดแพ้ถอยเป็นบ้างหัดแพ้เป็นบ้างนั่นแหละท่านกำลังชนะและกำลังฉลาดขึ้นน้ำสอนธรรมะอย่างนี้ครอบครัวเ้าเรี่ยลองไม่คิดยอมแพ้กันสิ เค็งก็ราขาก็แรงทะเลาะกันเนอะเดี๋ยวก็จานบินเดี๋ยวก็ง้อบินครอบครัวมันก็แตกแยกวันแห่งครอบครัวมันก็มีไม่ได้พ่อไปทางลูกไปทางแม่ไปทางแล้วมันจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรฉะนั้นจะต้องมีเคารพซึ่งกันและกันลูกเคารพพ่อแม่สามีภรรยาเคารพกันและกันในครอบครัวอ่อนนอ้อมอ่อนหวานเข้าหากัน นิวาตะข้อที่สองอ่อนหวานมานมิดล้นเหลือหลายย่าบอกมีเกลย์กลเตือนใกล้ดุดดวงสีิฉายดาวดาดประดับนาสุริยสองดาราไร้เมื่อร้อนแรงแสงอ่อนหวานข้อที่สองข้อที่สพอใจกับสิ่งที่ตัวมีเราเกิดในครอบครัวไหนตระกูลไหนไม่ต้องไปปิดบัง คำพืชรากเง่าเราเคยทำนาทำไรจนอายพ่ออายแม่ไม่อยากต้อนรับตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เท่ากับอัตตันยูไม่รู้คุณไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเป็นคนที่ไม่พอใจในส่วนสิ่งที่ตัวเป็นเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่มีความสุขโอ้ยมาฟังเทศวัดไปรยูนไม่เมือนห้องแอร์เลยนะ เอออยู่มหาจุฬาห้องเองมวกรนะแอเย็นฉ่ำนะเวลาพูดสบายนะเกิดผูดูพูดไปนึกอย่างนั้นวันนี้พูดไม่ออกเดี๋ยวรอยอีกปีหน้าขึ้นโ น, นเลย ส, สามชั้นติดแอร์เลยนะปีหน้าสงการไปเจอกันที่นั่นเนอสงการสงน้ําติดแอร์เรจะเทพดีกว่านี้อีกทีนี้เสร็จแล้วพะโล่ไงในเรื่องพะรล่ตามไก่อะลอิลิพะโล่อะ พระลอเกิดหลงรักพระเพื่อนพระแพงใช่ไหมโดนมน่ท่านปู่เขา้าเลยต้องออกจากเมืองตัวเองเนี่ยเพื่อหนีไปหาพระเพื่อนพระแพงมีพี่เลี้ยงในแก้วในขวัญตามไปปลอมตัวเป็นสามัญชนเข้าป่าไปนะนอนกับดินกินกับทรายพระลอบนตลอดทางเลยน้ำก็ขุนข้าวก็ แข็ ง, งอะรผักก็แย่ไม่เหมือนอาหารได้วางและกินไม่ได้ในแก้วในขวานลำขาญก็เลยสอนกลับพระเอยอาบน้ำเอเอาเ อ, าเอาบอกว่ายามไร้เด็ดดอกหญ้าแซมผมยามไร้ดอกเด็ดดอกหญ้าแซมผมหอมบิหอมกอดดมดั่งบ้า สุกรมรำดวนชมเฉยกลิ่นพระเอวยหอมกลิ่นเรียมโอ้อ้ากลิ่นแก้วจับใจหมายความว่าอย่างไงบอกกับพระรอนะพี่เลี้ยงบอกพ ร, พระองค์ตอนนี้เราอยู่ในป่ามีอะไรก็เสวยไปเถอะนะพระเอวยอาบน้ําขุนเอาเย็นอาบน้ําขุนขุนก็ไปเถอะมีอะไรก็กินไป เหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรเลยนะอยู่ในป่าเนี่ยเอาดอกหญ้ามาแซมผมก็ได้มันไม่มีดอกไม้นี่ดอกหญ้าก็ยังดีแซมผมหอมมีหอมก็ดมดั่งบ้าทำเป็นหอมไปเถอะดมไปเหมือนบ้าดอกหญ้าเนี่ยก็มันไม่มีอะไรอะ่ะดีพอใจในดอกหญ้าก็ได้หอมมีหอมก็ดมดั่งบ้าสุกลมลำดวนชมเชยกลิน่นหอมยังกระดอกสุกลมดอกลำดวน ที่จริงดอกย้ากลิ่นอหอมกลินเลียมโอ้อ้ากลิ่นแก้วจับใจเหมือนว่ามันดอกแก้วกันละกันไอดอกญ้าเนี่ยแล้วก็ทำท่าโอยหอมจังเลยนะจับใจเหลือเกนินที่จริงดอกย้ามันก็ยังดีตอนนี้มันจนน่ะรวยแล้วค่อยเอาดอกจำปีดอกรวยไม้สินี่เออดอกจำปีดอกรวยไม้ต่อไปสินี่เขาเรียกว่า ปรับตัวปรับใจอยู่ในสถานการณ์ไหนนะก็ปรับให้มันตรงกับตรงนั้นบ้างนี่ข้อที่สามเหลืออีกสองข้อหกโมงขอเซาของจบอ่าก็ข้อที่สข้อที่สี่เนี่ยที่สี่เนี่ยคือเราต้องทราบซึ้งในบุญคุณของสิ่งที่ให้คุณค่าแก่เรา เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวนะข้อที่หนึ่งนะน้ำมันหนักนะคาระวะข้อที่สองน้ำมันอ่อนน้อมถ่อมตนนิวาตะข้อที่สามน้ำมันปรับตัวพอใจในสิ่งที่เป็นเรียกว่าสันโดษข้อที่สี่น้ำมีลักษณะที่เรียกกันว่าเชื่อมประสานไม่ว่าเปิงวังยมนาเนี่ยมาจากไหนก็ตามนะ มารวมกันเป็นเจ้าพยาแล้วเป็นไงมันสนิทมันไม่แยกกันนะมันประสานกันไม่บอกว่านี่มาจากเปิงนี่หวังนี่ยมนี่ น, นั่นพอมารวมเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าเป็นเขยเป็นสะพายไปอะไรก็ตามรักกันช่วยเหลือกันให้ความเห็นความสําคัญของกันและกันเห็นความสาคัญของกันและกันยังไงคือทุกคนมีบทบาททาั้งนั้นในครอบครัว เราคนเดียวอยู่ไม่ได้ที่ครอบครัวมีวันนี้ไม่ใช่เพราะเราคนเดียวที่วัดมีวันนี้ไม่ใช่เพราะเราคนเดียวทุกฝ่ายร่วมกันและเพราะมีคนอื่นเราจึงเห็นบุญคุณอุปการะของคนอื่นว่าคนอื่นก็ช่วยทำประโยชน์เราเรียกว่าการรู้นี้คือกะตันอยู่เราคนเดียวอยู่ไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามา เราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบวัดเรานี่ทุกคนมีความสำคัญหมดไม่ใช่เราสำคัญอยู่คนเดียวช่วยกันในครอบครัวก็เหมือนกันมิฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งปกสวยมากหนังสือเล่มนี้นะอยู่ในห้องสมุดสมัยโบราณปกสวยแต่ไม่มีใครอ่านเพราะพอเปิดไปข้างในเป็นกระดาษเปล่าบรรรักษ์กโยนทิ้งไว้หลังตู้ไม่มีประโยชน์ ไม่มีเนื้อหาไม่มีนิทานเด็กเห็นภาพนึกว่าจะมีนิทานไม่ได้โยนทิง้งเอาออกนอกตู้ด้วยเสร็จแล้วมีมึกอยู่ขวดนึงไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีปากกาสมัยก่อนเขามาจุ่มแล้วก็เขียนมีแต่มึกมีประโยชน์อะไรบรรลักษ์ก็ไปโยนทิง้งมันก็ตกไปอยู่ข้างๆหนังสือได้แหละเลยถามกันนะหนังสือเปล่ากั บ, กบมึกไม่อยู่ด้วยกัน ปรับทุกกันเราเจ้านายเขาไม่เห็นคุณค่านะเพราะเราไม่มีประโยชน์เลยเศร้าใจนะมาอยู่หลังตู้ข้างหลังตู้เสร็จ แ, แล้ววันหนึ่งหน้าต่างมันเปิดอยู่มันมีขนหงเนี่ยนะหลุดมาเส้นหนึ่งขนหนึ่งเนะี่ยปลิวเข้ามาทางหน้าต่างตกอยู่กับไอ้หมึกกับกระสบุตรเปล่าหนังสือเปล่าขนหงก็ร้องไห้ฉันเคยอยู่กระหง เกโก้เหลือเกินเดี๋ยวนี้ตกกระป๋องแล้วมาอยู่กับไอ้ไทยตัวดำๆดำนีนะ่น่ะเอยฉันมึกนะน่าและโอ้โมันเสียศักดิ์ศรีขนขาวพองเลยนะต้องมาอยู่กับ่างนี้ในที่ลกๆอย่างนี้ทาใจไม่ได้นร้องไห้ไปสักพักหนึ่งขนหงได้สติโอถึงเราเป็นหงแต่มาอยู่ตรงนี้ก็ทำประโยชน์ได้ทาไมพวกพี่ๆมาอยู่ตรงนี้ล่ะ กระดาษเปล่าสมุดเปล่าหนังสือเปล่าก็บอกว่าไม่มีตัวหนังสือแล้วหมึกทําไมไมาอยู่อย่างนี้ไม่มีใครเอาไปเขียนเอา้าก็นี่ไงขนหงนี่แหละจุ่มเข้าไปมันก็เขียนได้เขียนในหนังสือเปล่าได้พี่เป็นหมึกผมนี่เป็นปากกาขนหงหนังสือมีแล้วเรามาร่วมงานกันแต่งนิทานสักสองสามเรื่องเขียนเลยลงในหนังสือเปล่า สามสหายประสานกันได้หนังสือมาหนึ่งเล่มบรรณลักษ์มาเปิดอ่านบนรรลักษ์ไม่เห็นแต่ครูคนหนึ่งแกเห็นปกมันสวยก็เปิดโอ้ยมีนิทานดีๆแล้วเกินเนะน่าจะเอาไปใช้สอนก็เอามาวางไว้คนก็ได้มาอ่านพระได้มาอ่านก็เลยเอามาเทศวันนี้เลยโอ้ยดีเหลือเกินมีประโยชน์นี่ประโยชน์มาจากไหนร่วมมือกัน และคนเดียวทําประโยชน์สําเร็จไหมไม่สําเร็จสมุดเปล่าหนังสือเปล่าก็ไม่มีค่ากระดาษเปล่ามึกอย่างเดียวก็ไม่ได้ขนยังนกอย่างเดียวก็ไม่ได้เมื่อรวมกันแล้วมันเป็นองค์รวมที่งดงามวัดประยูนต้องมีสามประสานบ้านวัดราชการรวมกันแล้วมันถึงจะเจริญบ้านก็จเจริญวัดก็จเจริญชุมชนก็จเจริญ ไม่ว่าจะชุมชนไหนหกชุมชนนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและวัดผลัดกันช่วยก็เอื้อใจก็เอใจเมืเอ่อถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเรากำัดญยูรู้คุณค่าดูแลซึ่งกันและกัน มันจะประสานกันตลอดเวลาเหมือนน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานี่ก็คือกตัญยูลูกกตันญูต่อพ่อแม่พ่อแม่มีความสุขกับพลูกดูแลลูกอย่างดีคุณตาคุณยายดูแลหลานหลานดูแลเพราะฉะนั้นเสือผีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือหยานดินดีเพราะหญ้าบังหญ้าหยายงเพราะดินดี ต่างคนต่างช่วยเหลือเก็คูลกันเป็นโซเชียลซัพพอร์ตไงประเทศไทยจึงมีความสุขเป็นอันดับสามของเอเชีย er, ด้วยคำว่ากะตันยูสี่คำแลวนะคำที่หนึ่งคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตันยูตาสามคำแล้วคำสุดท้ายกาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังคารมุตตามัง การฟังธรรมะตามการเวลา5อย่างนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญอันสูงสุด 1. คาระวะเคารพอย่างที่เราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฝังท่านนิวาโตอ่อนน้อมถ่อมตนสันตุถีพอใจภูมิใจในครอบครัวของเราในถิ่นของเราในคู่ครองของเรา ตันยุตาใครก็ตามเป็นสมาชิกในครอบครัวในชมชนมีคุณมีคุณค่าทั้งสิ้นเขามีส่วนในการสร้างความสุขความสำเร็จให้กับเราเหมือนหนังสือสมุดเปล่ารวมกับมึกรวมกับขนนกมันก็สร้างหนังสือที่งดงามได้ฉะนั้นเราก็จะเราก็มามาถึงสี่ข้อข้อสุดท้ายอยู่ร่วมกวันแล้ว ต้องปรึกษาหารือกันครอบครัวมันอยู่ได้เพราะเชื่อฟังกันวัดอยู่ได้เพราะฟังกันบ้านเมืองอยู่ได้เพราะฟังผู้ผู้รู้ผู้มีอนานาจถ้าไม่เชื่อฟังกันมันก็เป็นจับปูใส่กระดง้งไปคนละทางสองทางพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยกำหนดวันเลยกาเลนะธรรมสวนรงมาฟังธรรมะ ตามเวลาที่เหมาะสมญาติโยมเป็นพุทธบริษัทอยู่บ้านมีเวลาที่ไหนเรียนธรรมะเพราะฉะนั้นวัดก็ต้องจัดเวลาบรรยายธรรมแดค่ำส5บหค่ำวัดประยูน์มีเทศเขาเรียกฝังธรรมตามการเวลากิเลสมันเพิ่มมาเจ็ดวันไปล้างกิเลสที่วัดประยูนแ8ดค่ำพระลูกวัดเทศสิบห้าค่ำเจ้าอาวาสนี่องนี้จเจ้าอาวาสเทศสิบห้าค่ำ สลับกันไม่เทศหมดเดี๋ยวลูกวัดไม่มีเวทีแบ่งกันหรียก ว, ว่าทุกคนมีส่วนในการเทศในการสอนฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีมีเวลาขัดเกลากิเลสด้วยการมาฟังธรรมอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกสอนหลานปู่ย่าตายายไม่รู้จะสอนอะไรมาฟังพระโภมบันดิตนี่แหละเอาไปเล่าวันนี้เนี่ยจำให้ได้สักครึ่งก บ, บุญแล้ว แล้วก็เอาไปเล่าสอนลูกสอนหลานเขาก็จะได้มีสติได้ฟังกันตามการเวลาและถ้าไม่พูดไม่ฟังกันเนะไม่ปรึกษาหารือกันเข้าใจกันผิดนะขนาดคบกันดีๆเนี่ยนึกว่าจะรู้ใจกันไม่รู้ใจหรอกเพราะไม่ฟังเวลาฟังเราเคยฟังกันไหมที่มันทะเลาะกันทุกวันนี้บแบ่งเป็นสีนั้นสีนี้มีใครฟังกันบ้าง เพราะไอ้ฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งปิดทีวีมันคนละสีฉันไปดูช่องของฉันใจไหมพี่น้องเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วสุดท้ายเข้าใจกันผิดทั้งบ้านทั้งเมืองเราทำไมไม่เอาอย่างน้ำน้ำที่เราลดน้ำส่งน้ำเนี่ยนอกจากน้ำไปยังไงมีน้ำหนักเคารพอ่อนน้อมลงที่ลุ่มนเป็นนิวาตะน้า รู้จักปรับตัวเป็นสันโดษพอใจในสิ่งที่มีน้ําประสานกันด้วยความกระตันอยู่น้ํามีข้อหนึ่งมันลัดเลา ะ, ะซอกซึมไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะ้น้ำมันจะเข้าไปหาให้ได้ไม่เชื่อไปอเมริกาไปดูแกลนแคนยอนหู้ยลึกขนาดไหนนะ่ยแกลนแคนยอนอะ่ะที่โครโลราโดน้ํามันซอกมา ซะเข้าไปหมดเลยน้ำทรายมันก็ซะอภูเขามันก็ซะตัดเป็นแม่น้ำเป็นทะเลเป็นภูเขาน้ำมันจะซาะซึมเข้าไปทำใจของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนน้ำฟังใครพูดแล้วพยายามเจาะใจเขาว่าเขาหมายถึงอะไรไอ้ที่เขาบ่นนะ่ะบางทีเขาไม่ได้พูดตรงตรงหรอกนะเขาไม่ได้พูดตรงตรง เขาพูดอ้อมๆ อ, อยากจะเรียกหลายโยมอย่างเงี้ยพระพูดตรงๆไม่ได้ว่ามันเดี๋ยวมันจะเป็นอบัตจะขอไม่ได้โอ้ยอากาศร้อนจังนายโยมนะนะสมมตินะพระพูดอากาศร้อนมนโดนรถไอติมก็ผ่านมาแล้วนะโยมนะเดี๋ยวมันจะเลยแล้วนะรู้บ้างเขาขอไอติมนะโยมสาลาที่ก็ซ่อมมานะ 8ปดล้านเนี่ยตอนนี้มีสามล้านมันจะเเสร็จหรือเปล่านี่รู้บ้างเขาหมายถึงอะไรเออไม่ใช่มาเอ อ, เ อ, อพระวันนี้พูดตลกดีนะเขาเรียกอะไรให้รู้ไวเอออย่างนี้เขาเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเจาะใจเขาว่าเขาหมายถึงอะไรสามีภรรยาบางทีไม่พูดกันตรงตร ง, ตรงใช่ไหมเพียงแต่อีกคนหนึ่งหยุดฟังฉันบ้างคนเรานี่มันไม่หยุด มันแข่งกันแย่งกันพูดมันเลยไม่ฝังกันที่ทะเลาะกันและปลองดองกันไม่ได้เนี่ยเพราะมันพูดพร้อมกันแต่ถ้าท่านเป็นน้ํานะน้ํามันจะไม่แข่งกันพูดมันจะอ่อนน้อมถ่อมตนมันจะยอมรับความความเขียนของคนอื่นและมันจะเจาะเข้าไปในหัวใจของผู้ที่พูดและเป็นยังไงน้ํามันก็เลยประสานกันวันนี้เรามาส่งน้ํารดน้ําเนี่ยอย่าให้สูญเปล่า พยายามเชื่อมประสานจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบสี่าคมมหาเถราสมาคมนะมอบหมายพระพรหมาดชเนี่ยให้นำคณะพระไทยเนี่ยนะไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเวียดนามในเวียดนามเนี่ยแล้วในฐานะกรรมการมหาเทรสมาคมมหาเถราสมาคมมอบหมาย ก็ต้องคารวะเคารพมติเราต้องไปสำนักพูดมาบอกว่าท่านไม่ต้องไปก็ได้นะถ้าท่านติดผ่าละแต่เมื่อรับปากในที่ประชุมและประเทศที่น่าไปก็ไม่ให้เราไปหรอกโอ้อยางงี้ให้เราไปนะที่เขาไปไประชุมกันยุโรปอเมริกามสอสอเนะ่าไม่มอบคนมาเป่าหูเรานะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปแต่ไม่ได้เราเป็นคนรับผิดชอบลำบาก ก็ไปอ้าวตกลงมีใครไปบ้างท่านมีแต่พระเขาเรียกพระยวนน่ะอนมามมณีกายทางนั้นเลยไม่มีพระไทยอย่างนี้เลยนะ่ะมีแต่พระยวนไปประเทศเวียดนามแล้วให้พระไทยนิ่ํนำพอบอกว่าพระพรหมณดิตไปตอนแรกเนี่ยไม่มีกำหนดเลยมีแต่กำหนดให้เที่ยวเออ ไ, ไปนู่นไปนี่เพราะมีชื่อพระพรหมณฑิตไป ประชุมลูกเดียวโอ้ยเรากันตอนแรกก็เห็นกําหนดการนะนี่จะไปหารองเบบ้างไปโน่นไม่เคยไปจะได้ไปงานนี้หายหมดเลยเดี๋ยวไปพบประธานพุทธสมาคมรองประธานรองสังคลาชไปพบประธานาธิบดีเอ่อเจินไนกวานประธานาธิบดีสูงสุดของเวียดนามไม่ได้ไปพบนายกนะ เปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีเลยแล้วสถานทูตเวียดนามก็บอกว่าท่านพระพรหมบดีเวลาท่านไปพบประธานาธิบดีเนี่ยท่านไปในฐานะแขกบ้านแขกเมืองนะอย่าไปพูดสุ姆สี่ซุ姆ห้านะโออท่านเป็นนักพูดอย่าไปพูดมั่วนะเฮ้ยพูดมานักต่อนักแล้วไม่ต้องห่วงไม่เชื่อท่านหรอเขียนมาบางครั้งให้เราเขียนไปอีกอะ่ะท่านอธมาก็แต่งไปเลยนะเขียนไป เพื่อสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างเวียดนามกับไทยส่งล่วงหน้าไปไปเข้าวางประธานาธิบดีคาเรทมเนียบที่ท่านโฮเจมินเคยอยู่แล้วเตรียมไปว่าเอ๊จุดไหนนะที่เราจะเชื่อมระหว่างไทยกับเวียดนามได้สาคัญไอ้สงไอ้อย่าไปพูดเรื่องสงครามเวียดนามนะไอ้ไอ้กองพลเสือดาอะไรนะ่ะที่เราไปลบกับเขานะ่ะบ้านแตกเขาไล่เรากลับแน่อา เพราะฉะนั้นเอางี้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเป็นอาเซียน AEC O AEC เอ่อสมาคมอาเซียนนะเศรษฐกิจอาเซียนเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก็ลกันก็เขียนไปพอเขียนไปก่อนจะไปพบประธานาธิบดีไปสถานทูตไทยเอกอกัครราชทูตไทยนิมนต์เราไปพูดไปคุยกันแล้วก็ถามเขาว่าเป็นไงเวียดนามสนใจเรื่อง AEC ไม่สนใจเลยท่านเขาไม่พูดเรื่องนี้เลยท่านอย่าไปพูดเลยมันช่ยเอาหมดท่าอีกแล้วสิเราอยู่เมืองไทยดิทีวีกรอกูต์ต่เรื่อง AEC เวียดนามไม่รู้จักไม่สนใจพูดบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดแล้วเราจะเอาอะไรไปเชื่อมความสัมพันธ์เล่าพูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้เรื่องนั้นก็นไม่ได้พอดีก่อนหนึ่งวัดเนี่ยนะจะไปพบประธานาธิบดี เขาก็จัดโปรแกรมไปพบผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไปอีกวันอีกช่วงหนึ่งเนี่ยไปวัดเล็กๆไม่มีใครสนใจไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแต่ท่านก็ให้ไปกันไปทำอะไรไปบังสุกุลไปสวดบังสุกุลเป็นเจดีเก็บอธิโอ้ยขับรถไปก็ลำบากคณะของเราสี่สชีวิตเนี่ย เ, เจ้าคณะใหญ่อานามนิกายนะ่ะเหมือนประธานอานามนิกายหลวงพ่อ แล้ก็ไปด้วยสุขภาพก็ไม่ดียังจะไปอีกพอไปแล้วเนี่ยเลยได้เรื่องพูดกับประธานาธิบดีไปได้เออตรงนั้นแหละท่านโอ้ได้ยังไงล่ะนี่เล่าให้ฟังนะเป็นครั้งแรกเลยนะอถ้าไปเล่าต่อก็บอกด้วยว่าพระพรหมบุริษนยนยอย่าไปเปลี่ยนตัวละครนะว่าปรากฏว่าไปได้เออตรงนั้นแหละว่าเราจะพูดอะไรเนี่ยนะ ให้มันเชื่อมกันสนิทเลยกับเวียดนามนี่และอยู่ใน a อ c ออยู่ในอาเซียนด้วยกันหนึ่งข้อที่หนึ่งนะท่านนะคนเวียดนามเนี่ยเขาไม่อยากจะลือฟื้นเลยเรื่องความขัดแยง้งไม่ว่ากับอเมริกากับอะไรเขาจะเริ่มต้นใหม่เขาไม่เคยพูดว่าใครให้ฐานทัพไป ขหล่มนู่นนี่อะไรเลยนะเขาพูดอะไรรู้ไหมเขามองว่าเวลาไปพูดกับคนเวียดนามเนี่ยฝรั่งไปสัมภาษณ์คนเวียดนามท่านคิดอย่างไรกับสงครามเวียดนามเรารู้เลยเนี่ยคือที่สารัตไปทิ้งระเบิดเขาคนเวียดนามจะถามสงครามเวียดนามครั้งไหนล่ะลบมาตลอดเราไม่เคยยกทัพไปลบประเทศอื่นเลยนะ มีแต่จีนมาตีประเทศเราเราก็ลบกับจีนตั้งแต่สมัยคุปไลขานหรืออะไรก็นเดี๋ยวก็ฝรั่งเศสมายึดเราเดี๋ยวก็อเมริกาเรามีแต่สงครามป้องกันตนเองเรียกว่าปลดปล่อยเขาเรียกสงครามปลดปล่อยเอกราชเราไม่เคยยกทัพไปลบกับใครเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคนเวียดนามคนลาวเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเขาเองเนี่ยปลดปล่อย จากประเทศที่มายึดครองเขาแล้วประเทศไทยเคยไปยึดครองเขาหรือเปล่าไม่เคยอ่าหมดหมดแต่เขาเรียกว่าโลกไปทีนะแล้วทีนี้ประเทศที่ไปยึดครองเขาเนี่ยลุกหลานเขาเนี่ยนะคือคือฝรั่งเศสในยุคนี้เนยะคือฝรั่งเศสคืออเมริกาสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนนี่คือประเด็นที่จะพูด กับปธนาธิบดีอยู่ตรงนี้ท่านก็คือวันที่เราไปไปบางสุกุลเน่หนึ่งวันเน่วัดเล็กๆนะต้นไว้คลุ้มเลยนะแล้วก็มีที่บรรจุอัฐิอดีตประสังคลาชสมัยที่สมัยก่อนเนะ่ที่ยังเป็นประชาธิปไตายอยู่เขามาเก็บอัฐิตรงนี้แล้วที่เป็นคอมมิวนิสต์ ก็เก็บตรงนี้ตอนหลังเนี่ยเขาทิ้งเงียบไปเหมือนสู่สาลหลวงพอไปแล้วพระเวียดนามในไทยเนี่ยอานามนิกายเนี่ยก็บอกว่านี่คือที่บรรจุอทิของหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะใหญ่อานามนิกายรูปที่แปดปัจจุบันรูปที่สิบสี่ถ้าจำไม่ผิดนะรูปที่แปดเนี่ยเคยเป็นเจ้าคณะใหญ่ อยู่ที่ประเทศไทยแล้วกลับมามรณภาพที่เวียดนามเขาก็เลยเอาอธิมาบรรจุไว้ตรงนี้คนไทยก็ลืมคนเวียดนามก็ลืมหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่จึงพาคนพระเวียดนามที่ไปกันครั้งนี้ไปบังสุกุลด้วยความกะตันอยู่ก็เลยถามท่านว่าทำไมท่านมาอยู่ตรงนี้รัฐบาลไทยขับมาหรืออย่างไรเออ ต้องถามให้กระจย์ก็ท่านก็ บ, บอกไปอ่านเอาเองเขาเขียนไว้แผ่นใหญ่เลยมีรูปท่านด้วยก็ไปอ่านเป็นภาษาเวียดนามอ่านไม่ออกก็เลยให้เขาแปลให้แล้วก็จด น, นี่ความพยายามนะเรียกล่ามมาที่พูดไทยได้คุณแปลเลยนะแล้วก็บันทึกเทปแล้วก็จดไว้ถ่ายรูปตัวตำรานั้นมาอีก ในแผ่นกระจกใหญ่สรุปแล้วได้ความว่าอย่างนี้จากที่ไปอ่านมานี่นะก็คือว่าเจ้าคณะใหญ่องค์ที่แปดเนี่ยอยู่วัดโลกาณุเคราะห์ที่สำเพงนี่แหละเป็นประมุขสงฆ์อนันนิกายคือสายวัดยวนทั่วประเทศซึ่งตอนนี้มีย1สบเอ็วัดทั่วประเทศไทยท่านเป็นประมุข แล้วในช่วงปี2471 2472ท่านโฮจิมินโดนฝรั่งเศสไล่จับเพราะพยายามปลดปล่อยประเทศตอนนั้นทั้งประเทศเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ฝรั่งเศสปกครองฝรั่งเศสปกครองหมดโฮจิมินไปอยู่ต่างประเทศในยุโรปในจี น, นอะไรต่างๆ ก็ไปปลุกระดมว่าเราจะต้องสู้กับฝรั่งเศสเดินทางจะกลับเวียดนามมาแวะที่ประเทศไทยฝรั่งเศสหลูเข้าตั้งค่านำจับสามมื่นบาทในสมัยนั้นโฮจิมินห์ยังหนุ่มอยู่หลบเข้าไปพบกับคนเวียดนามในประเทศไทยโดยไปหาหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่รูปที่แปดนี่แหละ หลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่ถ้าคิดไปซื่อก็แจ้งทางการจับได้เงินสาม0มื่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสองสี่เจ็ดหนึ่งเจสองอยู่หนึ่งปีนะโฮจิมินเนี่ยแล้วเวลาจะไปไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่แจ้งวัดต่างๆให้รับทอดกันทรงต่อยังกระส่งธรรมทูตดูแลโฮจิมินนุมคนนี้นะแล้วให้ไปคุยกับคนเวียดนามว่าเราจะไปไล่ มหาอำนาจที่มายึดครองประเทศเราคือฝรั่งเศสก็ไปตั้งฐานอยู่ที่นครพนมโฮจิมินเน่แล้วก็ได้คนเวียดนามสนับสนุนพอสมควรกลับไปที่เวียดนามเหนือที่ฮาหนอยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมาไล่ฝรั่งเศสออกไปสหรัฐมาไล่ญี่ปุ่นออกไปจุดว่างนี้โฮจิมินประกาศเอการาช เวียดนามเหนือเป็นเอกราชประธานาธิบดีคนแรกคือโฮจิมินห์ส่วนเวียดนามใต้ฝรั่งเศสปกครองต่อยังเป็นของฝรั่งเศสโฮจิมินห์ก็ต้องปลดปล่อยเวียดนามใต้ลบกันสิบปีฝรั่งเศสแพ้ที่เดียนเบียนฟูฝรั่งเศสถอยไปอเมริกาจึงเข้ามาในช่วงอเมริกาเข้ามาหลวงพ่อ เจ้าอาวาสเจ้าคณะใหญ่อานามนิกายองค์ที่8ดอาพาธนักป่วยนักอยากกลับไปตายที่เวียดนามตอนนั้นประเทศไทยกับเวียดนามไม่ถูกกันเป็นคอมมิวนสิสต์ในสมัยรัฐบาลที่ว่าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะอยเานี่ยทำยังไงดีกลับไม่ได้ก็โคจมินเนี่ย นึกถึงอาจารย์เขาเรียกสหายเลยเป็นเป็นผู้ที่เขาเคารพมากคือท่านเจ้าวาดรูปนี้ต้องเอากลับไปเวียดนามให้ได้เอาเครื่องบินมารับก็โดนยิงร่วงเอารถไปก็โดนรเะเบิโดโฮเจมินทำยังไงรู้ไหมส่งเครื่องบินที่ไม่มีใครยิงไม่ไม่ไม่มีใครยิงร่วงอะเอามารับท่านอ้างว่าท่านอาพาธ เอาเครื่องบินเลสครอส์ Cross, กาชาติกาชาติสากลมารับจากประเทศไทยเนี่ยบินกลับไปรักษาตัวที่ฮานอยรักษาอยู่สองปีก็มรณภาพจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่โฮจีมินใครต่อใครมาหมดฟาร์มอันดงมาหมดสมัยนั้นน่หลวงพ่อองค์นี้นะแล้วก็เอาอัฐิมาเก็บไว้ถ้าไปดู เขาเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ชื่อสมณศักษิ์ในภาษาไทยใช้ชื่อเวียดนามตามพาสปอร์ตว่าติชบินเลืองติชแปลว่าพระชื่อของท่านคือหลวงพ่อบินเลืองท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนโฮเจมินไม่หักหลังโฮเจมินโฮเจมินจึงกลับมาปลดปล่อยเอวียดนามเหนือ สำเร็จนี่เพราะพระไทยท่านอยู่ประเทศไทยคนเวียดนามในไทยก็เลยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคณะสงอ น, นิกายที่มานี้นี่นะชื่นชมท่านโฮจิมินทั้งหมดเลยท่านปรฒนาธิบดีถือว่าท่านโฮจิมินกับหลวงพ่อนี่นะเป็นญาติสนิทกันวันนี้ก็เลยไปที่สุสานโฮจิมินไปอนิจจาวตสังทาลาให้แล้ว เมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดหลวงพ่อบินเรืองนี่เราก็ทาบุญอุทิศส่วนกวุศลไปให้ความสัมพันธ์ที่ท่านโฮจิมินเชื่อมกับคณะสงฆ์อนามนิกายในอดีตมาอย่างไรสมัยนี้ก็ยังใจเดียวเหมือนเดิมอาตมานำมานี่ท่านเพื่อพูดแทนท่านเชื่อมก็นสนิทเลยทีนี้โหอูนี่ท่านเอื้องถึงโฮจิมินใช่ไนหะลวงพ่อบินเรืองเลยนะไอ้ที่ลบกันอย่าไปพูดสินี่ เขาเรียกว่ารู้จักจุดเชื่อมประสานมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฟื้นความหลังส่วนเรื่องที่เราห้องราแหงกันสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอะไรที่มันเห็นต่างกันอย่าไปพูดอะไรที่มันดีกันพูดสร้างสรรค์เขาเรียกว่าพูดเป็นธรรมะเราไปพูดแต่เรื่องร้ายมันเป็นอาธรรมหลวงพ่อพุอทธทาสจึงบอกว่า เรื่องดีๆชมเข้าไปไอ้เรื่องายๆอย่าไปพูดเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเตาตายเปล่าเลย ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงถ้าเราจะเกณฑ์ให้คนในครอบครัวเราได้ดังใจทั้งร้อยเปอร์ซดีทั้งร้อยเปซ็นเป็นไปไม่ได้อย่าไปหวังอย่าไปคาดหวังว่าโอ๊ยคนนั้นคนนี้มาเป็นใหญ่เป็นโตต้องได้ร้อยเปอซนะอย่างนั้นร0อเอย่างนี้ร้อยซเราอย่าไปมองในส่วนที่มันลบมองแต่ส่วนดีและเราจะ กตันยู่รู้คุณเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะเคารพซึ่งกันและกันเราจะขนอมรักษาและพึงพอใจไม่เป็นกบเลือกนายไอ้กบเลือกนายเนี่ยมันไม่สันโดษมันไม่ปรับตัวอยู่กกอขอนไม้ดีๆโอ้ยเกาะขนไม้เป็นผู้นำบอกไม่ได้เรื่องอยากจะได้ไอ้ที่มันเคลื่อนไหวนี่เหาะเหอเดินอากาศได้พระอินก็เลยส่ง นกก่อยางมาทีนี้เนี่ยให้ขีหลังเนี่ยนะโอ้ยเหาะได้ก่อยางกินเรียบเลยเนะนี่ยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสันโดษพอใจปรับตัวในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำและอย่าไปคาดหวังให้เขาดีร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเมื่อใดเตามีหนวดได้อ่ะค่อยไปคาดหวังให้คนดีร้อยปรเซนต์ได้ฉะนั้นถ้ากลัวจะลืมเรื่องนี้มาดูเตาวัดประยุนบ้างเลี้ยงเตา บ, าบา่อย นะมันจะได้มีธรรมะอยู่ในหัวออยาเที่ยวเหมือนเที่ยวหาหนวดเตาตายเปล่าเลยนี่เตาสอนธรรมะเดี๋ยวไปเขาเตาเขาจะแสดงกัน50ชีวิตใช่ไหมท่านพ อ, อ, อเขตนี่โฆษณาให้ด้วยนี่จบ <c oughs> จะจบตรงนี้แล้วมีการแสดงวัฒนธรรม50ชีวิตบูอ่เขาเรียกว่าเชิดชูเตาวัประยุ์ในเขาโมนั่นเออเป็นธรรมะหมดเลยนะวันนี้นะสรุปล้จบห้าข้อแล้ว จำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้าจำไม่ได้ต้องทวนอีกหนึ่งชั่วโมงเนีเพราะฉะนั้นทบทวนความจำากันพระจำง่ายมากวันนี้พูดห้าคำพระสวดประจำคาราวจานิวาโตคำแรกคือคารวะข้อที่สองนิวาโตข้อที่สามสันตุถีข้อที่4กตันยุตาข้อที่ห้ากาเลนะธรร ม, มัสวนงัง ข้อที่หนึ่งให้ครอบครัวหรือสังคมอยู่ได้เพราะน้ำที่เรารดที่เราสงมันมีน้ำหนักสอนเรื่องความเคารพกันเราต้องมีคารวะเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวในบ้านเมืองในวัดวาอารามในที่ทำงานข้อที่สองนิวาตะอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนน้าที่มันไหลลงตีที่ราบที่ลุ่มอย่าไปยะโสโอหังอีโก ถือดีใส่กันมันจะแตกข้อที่สามสันตุถีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่ว่าเราได้อะไรมาพอใจกับมันคู่ครองของเราลูกของเราภูมิใจพอใจในกำพืชของเราในบรรพบุรุษของเรา ข, ข้อที่สี่กะตันยูเมื่อเราพอใจเขามีบุญคุณเขามีทุนค่าทุกคนมีส่วน ในการสร้างโลกสร้างจั ก, กรวาลไม่ใช่เพชรเท่านั้นเม็ดทรายก็สำคัญเราก็กระตันยูรู้คุณต่อเม็ดทรายถนอมรักษาเอาไว้และข้อสุดท้ายกาเลนะธรรมะสวังการถนอมรักษาการเหมือนน้ำบรนประสานกันตลอดเวลาไม่แตกแยกกันกระตันยูช่วยประสานสุดท้ายฟังธรรมน้ำเวลาฟังไทยเนี่ยนะเจาะไปที่ใจของผู้พูดภาษางกฤษเขาเรียกว่า รีดบท between the i n อ่านระหว่างบรรทัดบางทีเขาไม่ได้เขียนแต่เขาหมายถึงอะไรเนี่ยเขาไม่อยากพูดโดยตรงพยายามอ่านแล้วกเ็เขาบอกอะไรอ่านระหว่างบรรทัดหรือเจาะใจคนที่พูดเหมือนน้ำที่มันเซ้ะทรายน้ำที่มันซ้ะไปในช่องต่างๆเราฟังแล้วอยากเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ฟังแล้วปรึกษาหาลือกันสม่ำเสมอในครอบครัวเรียกว่ากาเลนะธรรมสวัณงฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ฟังพระเทศเป็นตามการเวลาที่เหมาะสมวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์เป็นวันครอบครัวเป็นวันถลิมศกจัดรวมกันแล้วเป็นกาเลนะธรรมสวังจเจ้าอาวาสประเทศในงานนี้ปีละครั้งเนาะ เฉพาะงานสงการนี่ปีละครั้งฟังไม่ได้ใครมารู้ไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นกาเลนะธรรมสวนงังเอตัมมังคามุตตมังทั้งหมด5ข้อที่ว่ามาเป็นมงคลอันสูงสุดด้วยประการละชนีดังพานนา ม, มาต่อแต่นี้เราก็จะได้บำเพ็ญบุญไปกระตนทั้งหลายทั้งปวงอุทิศแกบ่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การสงน้ําขอพรจากพระสงฆ์เป็นต้นขอบุญกุศลทั้งปวงและบารมีของหลวงพ่อพุทธนาในพระวิหารบารมีของพุทธหลวงพ่อพุทธธรรมเชษฐศาสดาวิเศษศาสดาในพระอุโบสถบารมีธรรมของพระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมธาตุมหาเจดียขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเนชเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพร ในวันปีใหม่เลิงศกคือมหาสงกรานี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในล่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรควัยทั้งปวงเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้รม ก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสเร็จจงพลันสำเร็จส ม, มโนรถมงมาตรปรารถนาทุกประการตลอดปีใหม่แบบไทยๆและตลอดไปทุกท่านทุกรูปทุกคนเทิน